นันนะ่จากคาถาธรรมบทนะจากคาถาธรรมบทเล่มภาคสี่เล่มสี่ธรรมบทนี้มีสี่เล่มเล่มสี่ในหน้าสองรอยยี่สิบเอ็ดนะมกขวกวัณ น, นาเรื่องพระโปติระเถระอธิบายว่าบทว่ายโยคาโยคานี่นะว่าโยคาฮาเว คูรปัญญาเนี่ยนะเขาบอกว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบทีนี้คําว่าโยคะโยคะตรงนั้นเนี่ยบอกว่าการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคลายหรือโยนิโสมนัสิการในอารมณ์38มสิบแปดอ่าอ่าเป็ น, ป เ, ปนเป็นโยคะเะจริญพรเรียกว่าการประกอบเพียงแต่ว่าเอาปะมานําหน้าหน่อยก็คืออุปสรรคเพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นปะเท่านั้นเองแต่ก็โยคะโยคีเนี่ยคล้ายกัน โยคยีก็คือบุคคลผู้มีการประกอบที่ว่าไปาเจนพรถ้าเพิ่มอวัจระการท่องเที่ยวไปอีกก็จะเป็นโยคาวจรั้น น, น, นก็โยค่าอันเดียวนั่นแหละเพราะนี่ก็เป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของปัญญาเนยนถ้าผู้ที่สะสมอบรมโยนิโสมนัสการมากๆอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งสติสัมปชัญญะใช่ไหมโยนิโสมเป็นเหตุใกล้ให้เกิด สติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าหากว่ายโยนิโสมนัิการบริบูรณ์ก็จักยัง ส, สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ก็จักยังอินทรียสังวรให้บริบูรณ์อินทรีสังวรที่บริบูรณ์ย่อมยัง body, ยสุจจริตสให้บริบูรณ์สุจจริตสที่บริบูรณ์ย่อมยังสติประธาน4ีให้บริบูรณ์สติประธาน4ีที่บริบูรณ์ย่อมยังพ่อชงเจตให้บริบูรณ์พ่อชงเจตที่บริบูรณ์ก็ยังวิชาวิมุติให้ บริบูรณ์เป็นต้นเมือนกับฝนตกบนภูเขาใหญ่ๆเลยนะตกมากมันมันก็จะท่วมทับลงมาไหลเรื่อยจากน้ําแอ่งน้อยเป็นต้นก็จะเต็มทําให้น้ําแอ่งใหญ่เป็นต้นแม่น้ําเล็กเต็มแม่น้ําใหญ่เต็มก็สามารถทําให้ทะเลมหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ได้ันถ้าหากว่าประกอบแบบนี้บ่อยๆนะไม่น่ามีปัญหานะแม้ถึงเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนั่งที่รีสอร์ทพัการนนะเห็นไหม มองว่าเออน้ํามันไหลเอื่อยๆเนตรึกกันยังไงอย่างนั้นอาจารณาราธาเขาพูดดิเขาบอกอพูดถึงว่ามีอยู่คนคนหนึ่ ง, ง เ, เ, นะนน เ, เขาบอกว่าถ้าเห็นใบไม้เนี่ยนะมันลอยลอยบนน้ําแล้วมันไหลไปตามน้ําเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดเลยไปถึงปากน้ําโพเขาว่านะปากน้ําโพก็คือเลยว่าโอ้นี่ตกทะเลแน่นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าพระองค์ก็พูดถึงไอ้ท่อนไม้ท่อ น, อ น, อ น, อนหนึ่งอะ ที่ไหลไปตามกระแส น, น้ำเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโ น, น้นไม่เกยตื้นไม่จมในระหว่างไอ้มานี่ยังไงก็ถึงถึงทะเลการปฏิบัติธรรมก็ลักษณะนั้นนะนะถ้าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโ น, น้นไม่จมลงไม่เกยเตื้นไม่อยู่ในวังน้ําวนถ้าก่อนยังไงก็ถึงทะเลเห็นน้าอันเดียวเนี่ยธรรมะคิดเหมือนกันสักคนเลยบางสแสดงว่าพระโพธิลท่าน ท่านสามารถที่จะสอนลูกศิษย์จนบรรลุได้นี่นะเพราะท่านเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกจนมาท่านทรงพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านเองไม่ได้โยนิโสตามนั้นไม่ไม่ค่อยเพ่งไม่ค่อยโยนิโสย่งไรไม่ได้โยนิโสตามนั้นคือการตอบปัญหานะพระผู้ทรงพระไตรปิฎกบางทีตอบดีกว่าพระที่บรรลุด้วยซ้ําไปเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทรงพระไตรปิฎกไม่ได้ตอบตามอัธยาศัยของตัวเองนี เพราะว่าเวลาคําพูดนั้นมาเนี่ยจะเข้ากับพระไตรปิฎกสูตรใดพวกก็จะประกาศตามนั้นไปเพรา ะ, ะนั้นเท่ากับประกาศตามพุทธอัธายาศัยแต่ผู้ที่ปฏิ บ, บัติบรรลุเองก็จะตอบตามอัธยาศัยที่ตัวเองบรรลุไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แน่เสมอไปว่าคนที่บรรลุจะสอนดีกว่าผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกถ้าคนที่ทรงพระไตรปิฎกตั้งจิตไว้ชอบนะตั้งจิตไว้ชอบชื่อว่าเป็นการประกาศธรรมจริงๆเนี่ยบางทีก็สอนดีกว่าพระอริยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะ แต่ถ้าพระรยานั้นทรงพระทัยพิดกด้วยอันนี้ดีกว่าปุตุชนผู้ทรงพระทัยพิดกนั้นก็ดีกว่าแต่ทีนี้ว่าเสียดายนะเราเนี่ยบุญน้อยน่าจะเกิดทันนะสมัยนั้นก็ค น, นัมากมายไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยแนมะเสียดายจังอีกอย่างหนึ่งนะฮะการที่จะมีปัญญาบรรลุปฏิสัมพิทานนี่ก็เกิดจากการสะสมอย่างแรกเลยนะถ้าหากว่าตามคัำพี คัมภีร์ที่ขยายปฏิสัมพิทานนี่ชื่อว่าอะไรนะสัทธธรรมะประกาศินีคำพี์สัทธรรมะประกาศนีเนี่ยประกาศข้อความในปฏิสัมพิธามมักเนี่ยกล่าวถึงเหตุให้เกิดปัญญาไว้หลายอย่างด้วยกันแต่เฉพาะในปรมาธมันชูษาดีกาวิสุทธิมักกล่าวว่าเหตุให้เกิดปัญญาข้อหนึ่งนะการอยู่ร่วมกับครูนะค่ะเราอยู่ร่วมกับครูผู้มีปัญญาแตกฉานเนี่ยเราก็คงได้เชื่อมาบ้าง ข้อที่หนะข้อสองก็คือความเป็นผู้ฉลาดในภาษาถิ่นนะคนที่รู้หลายๆภาษาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิทาอย่างหนึ่งเหมือนกันคือยกตัวอย่างนะเขาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาสามารถคิดได้หลายภาษาในพร้อมกันเลยอ่ะนั่นก็ชื่อว่าเป็นการสะสมเลยนะสะสมอุปนิสัยแห่งปฏิสัมพิทานะเห็นต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยเขาคิดเป็นเออภาษานี้เขาเรียกอย่างนี้ถิ่นนี้เขาเรียกเชื่ออย่างนั้นถิ่นนั้นเรียกเชื่ออย่างนั้น แตกชันในหลายๆภาษาเนี่ยนะสามารถเป็นคนที่มองอะไรออกกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเขาฟังอะไรเขาเข้าใจง่ายเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนที่ไม่มีความรู้ในด้านภาษาเลยเนะี่ยไม่ไม่ไม่แตกฉันในด้านภาษาดันั้นการเรียนรู้ภาษาหลายๆภาษาไว้เกื้อ ก, กูลต่อการบรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาดันั้นภาษาถิ่นเนี่ยมีความสาคัญนะไม่น่าของมามห ah าอู่อย่างอู่มันก็ได้เลยไม่ค่อยมีใครอู้ด้ดวยเลย ต่อไปนะการเล่าเรียนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิทาอย่างหนึ่งนะพงหูสู้รเลยนะใครที่ขยันเรียนมากๆนี่ก็เป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิธาด้วยนะแล้วก็การสอบถามเป็นต้นปริปุจชาการถามรู้จักถามถามเนี่ยนะต้องรู้จักถามนะรู้จักวิธีตั้งปัญหานะรู้จักวิธีการตั้งปัญหาเดี๋ยวเราเรียนไปจนถึงศีลนิเทศเนี่ยนะจมีวิธีการตั้งปัญหานะ นะลองดูเป็นเข้าๆนะเปิดไปหน้า21นะถ้าหาว่าใครตอบปัญหาเหล่านี้ได้แสดงว่าคนนั้นโอ้แตกฉานมากรู้จักถามอันนี้เป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิทานะทีนี้ถ้าเราไม่เอาเปลี่ยนจากอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใส่คำว่าศีนก็ได้ยังย่อความสุดท้ายเนี่ยนะในในหน้า20ที่กล่าวถึงศีลนิเทศนะตั้งคำถามว่าอะไรคือศีลเชื่อว่าศีลเพราะอัจว่าอะไรอะไรเป็นลักษณะราศาัศดาประจปานประทัฐานของศีนนั่น ศีลมีอะไรเป็นอ น, นิสงส์ศีลนั้นมีกี่อย่างศีลมีอะไรเป็นความเศร้ามองของศีลอะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลหนึ่งเนี่ยนะนี่เอาศีลอย่างเดียมาวนคําถามนี้เอาไว้ทีนี้เราเจออย่างอื่นก็เหมือนกันเอาแนวคําถามมาเนี่ยไปไว้ถามเรื่องอื่นๆอันนี้ก็ถ้าฉลาดถามแบบนี้เนี่ยนะปฏิสัมพิทาก็ไม่น่ายากเดี๋ยวผมลองดูนะครับอะไรคือโยนิสมนัสิกานเจนพานนะ ชื่อว่าโยนิสโสมนัสิกานเพราะอัดถาว่าอะไรท่านตอบด้วยทครับผมตอบไม่ได้เลยอะไรเป็นลักษณะของโยนิสโสมนัสิกานรสะปัจจุปัฏฐานและปัฏ ฐ, ฐานของโยนิสโสมนัสิกานเอ้ยน่าสนใจนะครับหัวข้อนี้เจนทานโยนิสโสมนัสิกานมีอะไรเป็นอนิสง์อะโยนิสโสมนัสิกามีอะไรเป็นอนิสงโยนิโสมมีกีย่แล้วก็โยนิสโสมนัสิกามีกี่อย่าง <laughs> อะไรเป็นความเศร้าหมองแห่งโยนิสโสมนัสิกานอะไรเป็นความผ่องแผ้ว ผมว่าน่าจะมีคําตอบเลยนะีแล้วถ้าตั้งไว้แล้วก็ค่อยๆ อ, อ, อ่านพระไปิกไปจะมีตามนัะนะ้นแหละเพราะการการฉลาดถามในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งปฏิสัมพิทาอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมอย่างอย่างครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิชา น, านั้นจริงๆนะเขาสา ม, มารถตั้งคําถามในเรื่องนั้นได้ใช่ไหมตั้งถามเองตอบเองได้หมดเลย เพันคนที่ที่ฉลาดถามแบบนี้คือพระมหาโกธิตะเนี่ยนะแล้วก็ได้คนตอบอย่างภา ษ, ษารีบุตรเนี่ยสบายนั้นคุยกันได้ทั้งคืนเป็นเอต ท, ทักฆะเลยเนี่ยในเรื่องการถามเนี่ยพวกเวทัละเนี่ยถามอาศัยคําถามนั่ น, นถามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอบแล้วอาศัยคําตอบมาเป็นคําถามนะท้าวสักกะก็ลักษณะเดียวกันนะ <c oughs> ท่านตอบอะไรมาครัพระเจ้าจะอาศัยเรื่องนั้นแหละถามไม่ได้ถามแบบอันนี้นะถามแบบอยากรู้จริงๆ ถามเพื่อความเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ่พระเจ้ามิลินเนี่ยนะไอ้พระพระเจ้ามิลินเนี่ยก็ฉลาดคำถามแบบนั้นหรือวิสาขะอุบาสกก็ลักษณะเดียวกันพาะนนก็เหมือนกันอย่างที่พระนนถามในกิมัตยะสูตรใช่ไหมอ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุศลศีลอ่ามีอะไรเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยใช่ไหม พระพุทธเจ้าตอบว่าอาวิปติสารก็เอาอาวิปติสารเนี่ยมีอะไรเป็นประโยชน์ก็ถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆหาประทัดฐานหาประทัดฐานของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นประทัดฐานนั้นเป็นสูตรการตรึกอย่างหนึ่งในบรรดาบรรดาวิธีการตรึกนะตามคัภีร์เนติตปกรหาเหตุใกล้ของสิ่งนั้นๆไปเรื่อยๆเรๆเรืาเรียกว่าประทัดฐานะหาระก็คือหาประทัดฐานของธรรมะนั้นๆ น, น, นั้นการฉลาด ถามเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะคนถ้าหากว่าฉลาดถามบ่อยๆนะต่อไปจะเริ่มคิดหาคําตอบเองแนละ้วถามใครไม่ได้ก็ถามก็คือขอให้ผูกปัญหาเอาไว้เยอะๆก่อนเสร็จแล้วนะถ้าไปเจอคนที่เขามีความรู้เรื่องนั้นเราก็รับรับคําถามไมาเยอะแล้วใช่ไหมเราก็สามารถถามได้ไม่ติดขัดถ้าเจอคนก็รู้จริงในเรื่องนั้ น, น, นถ้าหากว่าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะเราผูกคําถามไปแล้วพออ่านเจอที่ไหนจะจําแม่นขึ้นะนะเพราะตรงกับคําถามของเราใช่ไหม พอได้นะว่าปัญญาสมบัติเนี่ยนะปัญญานี่เป็นเหตุแห่งเป็นเหตุที่มีกำลังมากเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังต่อปฏิสัมพิทาสี่ทีนี้ขึ้นหัวข้อต่อไปนะว่า <c oughs> การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติสายกลางถ้ากล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ย <c oughs> เท่ากับพูดถึง <c oughs> การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติสายกลางแล้วถามว่าเป็นอย่างไร อันหนึ่งการเว้นส่วนสุดที่เรียกว่าการมัศุขลิกานุโยกเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยศีลเนไหมนะเพราะเพราะว่าประโยค่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นเหตุให้ทําปาณาติบาตก็เพราะการมเป็นต้นนั่นแหละใช่ไหมอาศัยการมเป็นเหตุกรรมเป็นต้นเขาทําให้คนทําปาณาติบาตอธินาทานการมีสุมิชชาจารย์เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีศีลก็จะทําให้เกิดการงดเว้นจากการมมัศุกันนั้น นะที่จริงแล้วการทำชั่วก่อกรรมทำอกุศลส่วนใหญ่ก็เพราะสแสวงหาการ ม, มาสุขใช่นะสุขที่เกิดจากการมสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภะอาศัยความสุขเหล่านี้แหละทำให้คนล้ายคนต้องทำปาณาติบาตนะเพราะเห็นอ น, นิสงสางการ ม, มาสุขทำให้ทำปาณาติบาสถึงก็ต้องทำอธิ น, นาทานทำกาเมสุมิจฉาจารทำมุสาวาด เนะดิมสุราและเมรัยหรือว่าไปล่วงอากุศ ล, ลธรรมอย่างอื่นๆอีกก็เพราะติดใจในกามสุขนั่นแหละะนคนที่มีศีลดีก็จะทำให้เว้นจากส่วนสุดอันนี้เนี่ยนะละส่วนสุดคือกามสุขขันธิกานุโยกได้นะกามสุขขัลธิกานุโยกก็เป็นสุขเป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งบรรปชิตในาศาสนานี้ไม่ควรซ่องเสพมันเพราะมีโทษ นะถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของกามเนี่ยนะโทษของกามเนี่ยมหาทุกขคันธสูตรเนี่ยนะขยายไว้ค่อนข้างละเอียดดีมากนะมหาทุกขคันธสูตรในมัชฌิมนิกายกล่าวถึงเรื่องโทษของกามเ น, นี่ย น, มนะมหานิเทศก็ในยะหนึ่งก็ก็อีกแห่งหนึ่งแต่ว่าในในมหาทุก ข, ขมหาทุกขคันทสสูตรเนี่ยพุทธพจน์แสดงเลย การเว้นส่วนสุดที่เรียกว่าอัตตกิลามัานุโยคเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิเพราะว่าคนที่มีความสุขในสมาธิเนี่ยนะหรือที่ได้สุขจากเนคขมมะได้เนคขมมะสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยนะใจก็เป็นปีติเป็นปราโมทอย่างปทมชาเนี่ยมีปีติมีปราโมทใช่ไหมมีสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความสุขอันนั้นเนี่ยนะ ทำจิตตะชะรูปด้วยใช่ไหมฌานเนี่ยทำจิตตะชะรูปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้จิตตะชะรูปที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยก็ทําให้มีความสุขทางกายอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลําบากกายแล้วนะถ้าได้สุขที่เกิดจากฌานเนี่ยร่างกายจะไม่ลําบากร่างกายจะไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอันเข้าฌานจะเข้านานขนาดไหนจะไม่มีเหน็ดเหนื่อยนะจะมีแต่ความสุขโดยทายเดียวเพราะนั้นไม่มี ไม่มีปีติหรือไม่มีความสุขที่ไม่แผ่ไปทั้งร่างกายเนี่นะั้นความสุขที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่า ก, กลัวสุขอันนี้นะเธออย่าได้กลัวที่เกิดสุขที่เกิดจากเนคข ม, มะแต่พระพุทธเจ้าให้กลัวสุขที่เกิดจากกา ม, มเนีนะเพราะว่าสุขที่เกิดจากเนคขมะนี่เรียกว่าเนคข ม, มะสุขเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณธรรมชั้นสูงด้วยวันนี้ไปอ่าน ข้อความในในสังยุตตานิายขันธวรรกว์กล่าวถึงว่ากล่าวที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ ว, ว่าสมาธิเนี่ยนะบอกว่าคนที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงใช่ไหมย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงเนี่อรู้ชัดอะไรรู้ชัดทั้งความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันหานะเพราะว่ากล่าวว่าภิกษุกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าจะบรรลุคุณธรรมได้ท่านต้องได้สมาธิก่อนแล้วท่านจึงจะเกิดการบรรลุมรรคผลได้เพราะพระองค์ก็เลยตรัส คุณของของการที่จิตตั้งมัน่นให้พิสุกลุ่มนั้นเนี่ยทําจิตให้ตั้งมัน่นเพราะว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงคือรู้เห็นเหตุเกิดแห่งอุปาทานขันห้าแล้วก็ความดับแห่งอุปาทานขันห้าขันห้าจะเกิดเกิดด้วยการเท่าไหร่เฉพาะในสูตรนั้นยกตัณหานั่นเองเป็นเหตุเกิดแห่งขันห้าเนี่ยนะความดับแห่งการห้าก็คือเพราะอะไรดับเพราะเหตุดับคือ หาดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับพบก็ดับพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทโม น, นั้นและอุปายาตก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นสมาธินี่มีความสำคัญมากนะเป็นเหตุใกล้เลยนะของของปัญญาสมาสมาธินี่เป็นเหตุใกล้แห่งยะถาภูตยานัทสนะการรู้เห็นตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นคนที่จิตฟุ้งซ่านมากๆก็โอ้ที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ยากทีนี้ต่อไปว่าการเสพข้อปฏิบัติสายกลางเป็นอันทรงประกาศด้วยปัญญาเนี่ยนะปัญญานี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นเป็นข้อปฏิบัติสายกลางจริงๆเลยเนี่ยนะเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงเกิดการแทง ตลอดอริยสัจได้ฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุอริยสัจได้ก็ต้องอาศัยปัญญาแต่ว่าปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องเว้นจากสองส่วนนั้นก่อนนะจะเดินดิ่งไปหาปัญญาเลยก็คงยากนะนะเพราะว่าคนที่จะเจริญปัญญาได้แสดงว่ารู้จักกาส ม, มาสุขใช่หรู้ว่าอะไรเป็นสุขที่เกิดจากกามแล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไรที่เกิดจากสุขเป็นสุขที่เกิดจากเนคขมมะก็ต้องแยกได้ ถ้าแยกได้เรื่องสุขแบบนี้เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสนาเหมือนกันนะเมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนานี่ในหนึ่งนะแสดงว่าบอกว่าเมื่อสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนามีอมิตรใช่ไหมคำว่าสวยสุขเวทนามีอมิตรคืออะไรก็คือแสวงหาความสุขจากกรมมาสุขนั่นเองเรียกว่าสวยสุขเวทนามีอมิตรเมื่อสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรคืออะไร คือก็นี่แหละสมาธินั่นแหละเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นสุขที่เกิดจากเนคขมมะนะสุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขที่เกิดจากการเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ไม่แยกอยู่ว่า ส, สุขเวทนาที่เกิดที่อาศัยเคหสิตะเนี่ยนะอาศัยเรือนหรืออาศัยอมิตรเนี่ยควรละนะควรเจริญสุขเวทนาที่ไม่อาศัยเรือนเนี่ยนะคืออาศัยเนคขมมะ โดยที่เรียกว่าเนคข ม, มุขเนี่ยอันนั้นควรเจริญให้มากๆน ะ, ะถ้าแยกอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเวทนาเป็นอย่างดีใช่ไหมว่าสุขเวทนาที่มีอมิตรเนี่ยนะเป็นสุขเวทนาที่อาศัยเรือนเนี่ยมีเท่าไหร่เคหสิตะสุขเวทนาเนี่ยนะก็คือโลภะแปดอะที่โลภะสี่ดวงะนะที่ยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรถโภธาพระนะนะั่นแหละถ้าหากว่าสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรไม่อาศัยเรือนเนี่ยนะ คือสุขเวทนาอย่างไรคื อ, อสุขเวทนาที่เกิดจากสมถาวิปัสนาก็คือสโสมนัสเวทนาในมหากุศลนั่นเองแล้วก็ถ้าเอาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นสุขเวทนาที่เกิดในปฐมฌานทุทาานตทิยฌ า, านตัิยฌานและจตุทธาฌานนะนะอันนี้เป็นสุขทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสุขเวทนาที่เกิดพร้อมกับมหากศลสุขเวทนาที่เกิดพร้อมกับฌา น, น ก, กุศลไม่ควรละเลย ควร พ, อพ่อภูนควรเจริญให้มากว่างั้นบางแห่งเนี่ยพระองค์แสดงธรรมะข้อปฏิบัติโดยยกเวทนาขึ้นมามาเป็นข้อปฏิบัติเลยนะเพราะว่าให้เจริญเวทนาแบบนี้เวทนาแบบนี้อย่าเจริญที่ที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าสุขที่เกิดกับกุศลลจิตเป็นเน่ฆัมมะถ้าเป็นเป็นกุศลที่เป็นไปในทานกับศีลเป็นแต่ว่าก็เป็นแบบน้อยๆ น, นะเป็นแบบแต่ทางข้าประหารเพราะว่า ศีลเฉยๆเนี่ยนะทำให้มีความสุขอย่างต่อนเนื่องค่อนข้างยากแต่ว่าอาศัยศีลนั้นมาเจริญศีลานุสติจะทําให้เกิดความสุขอย่างต่อนเนื่องได้หรืออาศัยทานอนั้นต์มาเจริญจาการุสติเนี่ยนะอันนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราจะนั่งให้ทั้งวันเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมให้ให้มีความสุขอุนั่งให้แล้วให้ทั้งวันนี้จะเอาอะไรมาให้นั ก, ก น, นะ <c oughs> เพราะว่าการให้ทานที่เป็นโสมนัสเนี่ยหนึ่งตัวเองต้องพร้อมด้วยศรัทธาสอง คนที่รับเนี่ยเป็นคนที่เรารู้สึกภูมิใจมากเลยสมัยแล้วของที่ให้ก็คือของที่เรามั่นใจมากะนะแล้วเห็นประโยชน์ของการให้ทานเต็มที่ะนะโสมนัติเวทนาจึงจะเกิดในขณะให้ทานได้แต่ถ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมามันยากอะนะต้องต้องเป็นความผ่องใสทั้งสามการถึงเออ <ใน S 1> จึงจะรักษาได้นะจึงรักษาได้แล้วก็แต่ถ้าหากว่าให้ดีก็จเจริญจารยานุสติอ่ะนะให้ทานแล้วก็อาศัย การให้นั้นมาเจริญจาคานุสติเคยให้ที่ไหนบ้างมานั่งตรึก้ของผู้การนี่น่าจะตรึกเลยทางวันมั้งกันนะะทางแต่สมัยอายุหนุ่มๆเนี่ยนะเคยให้ทานที่ไหนเคยให้มากิกให้กับใครให้ยังไงโอ้มานั่งตรึกดีๆเนี่ยนะตรึกน่าจะแบบน่าจะทางวันมั้งเนาะค่อยไล่ไปนี่เป็นจาคานุสตินะเออนี่เป็นสมถะมืองกันนะี เราได้พุทธานุสติแล้วใช่ไหม เ, เลยไปเลยไปหาจาคาานุสติ ม, <c oughs> มันก็อนุสติเหมือนกันนะ